แล้วก็เลือกพุทธังสารนังฆาชามิทำมังสารนังฆาชามิสังขังสารนังฆาชามิถ้าเลือกอย่างนี้ก็ก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้แต่ถ้าไม่เลือกทางพระรัตนะตรัยเนี่ยนะก็ไม่มีทางอื่นนะถ้าทางอื่นที่นอกจากคําสอนของพระรัตนะตรายแล้วนำออกจับทุก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 ทำแปดที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรทำแปดที่ควรกำหนดรู้คืออะไรทำแปดที่ควรละคืออะไรทำแปดที่ควรเจริญคืออะไรทำแปดที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคงเรียนมาแล้วใช่ไหมในปฏิสามพิธามะหรือในทัศตระตรทำแปดที่ควรกำหนดรู้คือโลกธรรมแปดถ้าเป็นธรรมที่ควรรอบรู้เลยคือโลกธรรมแปดทำแดที่ควรละคือมิชตะแด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 แต่คู่กันก็จริงเช่นดำกับขาวเนี่ยเป็นของคู่กันแต่ไม่ได้แปลว่าเข้ากันได้ดีกับชั่วเนี่ยเป็นของคู่กันแต่ไม่ได้แปลว่าเข้ากันได้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมิจฉามรกับสัมมามรก็ใกล้กันแต่ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะเพราะฉนคนพานกับบัณฑิตนี่มันอยู่ใกล้กันคนที่มีอำนาจสูงสุดกับไม่มีอานาจเลยนีมันอยู่ใกล้กันเชื่อไหมพูดถึงพระราชาโบราณ ในวังโบราณเนี่ยนะเขาเอาไอ้เงีย้ยไอ้ง่อยไอย้ไอ้ไอ้ง่อยไอย้ขอมนะไปทำงานในวังอะ่ะไอ้ใครจะมีร้ายอำนาจถ้าไอ้พวกคนเปรี้ยอีกแล้วใช่ไมพวกไอ้ง่อยทั้งหลายเนี่ยพวกไอ้อมอ่ะนะยิงค่อมนะ่ไปคอยดูแลพระราชา เขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะพระราชาแบบไรหน้ามืดอะไรไม่ทราบะนะเขาก็เลยชอบไปเอาพวกหญิงค่อมหญิงที่ไม่สวยเลยนะไปอยู่เคียงข้างราชินีผู้สวยงามเนี่ยนะก็อยู่อย่างนั้นก็ เ, เอาผู้ชายแบบโอ้ยคนหน้าเกลียดเลยไปอยู่ในวังเพื่อจะได้ไม่เหสีจะได้ไม่คิดเป็นอื่นมันก็บอกว่าสิ่งที่มีอํานาจสูงสุดก็ล่อยู่ใกล้สิ่งที่ไรอํานาจที่สุดเหมือนกันเลยนะมันเขาบอกว่าไอ้คาว่าใกล้ในที่นี้หมายว่ามันส่วนเปรียบนะเราก็มาดูเอาว่าชั้นใดาการปฏิบัติก็ชั้นนั้นทันท่าเรา กำหนดรู้โลกธรรมแปดที่ควรกําหนดรู้ละมิชะตะแปดที่ควรละเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดที่ควรเจริญเราจะได้ทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งคืออะไรคือวิชาแปดนะคือวิ ช, ชาแปดเนี่ยนะวิ ช, ชา8ดนั่นแหละเป็นตัธรรมที่ควรทําให้แจ้งนั้นก็ก็รู้่นะว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้พระเริยเจ้าโบราณเนี่ยนะพระสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นกัน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 ออกบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินนยได้พระธรรมวินยันยนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนบรรพชานั้นน่ะคงไม่ต่ำสามแน่นอนแม้แต่พระราชโอรสพนามวัคคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะยังปลงผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบนรรพชิตได้ฉะนั้นพวกเราจึงจักออกบวชเป็นบนรรพชิตบ้างไม่ได้เลเนี่ยนะทำไมเราจะบวชบ้างไม่ได้ ดูกากพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลหมู่มหาชนประมาณ 84,000 พันคนได้ชวนกันออกจากพระนครพันทุมาดีราชธานีเข้าไปยังเคมะมรุกทัยวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ครั้นเข้าไปเฝ้าแลว้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหรันตสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีแล้วก็นั่งนาที่ควนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมามาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้ก็ได้ตรัสสอนอนุปุพพิกถาคำสอนที่กล่าวไปตามลำดับแก่ชนเหล่านั้นคือประกาศฐานกถาอันนิสงของฐานศีลกถาอันนิสงของศีลสักขะกถาอันนะกถ า, าที่กล่าวถึงเรื่องของสวรรค์ทั้งหลายโทษของกามที่ต่าช้า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 ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์นี่แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอบทางแก่คนหลงทางหรือส่งประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใด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 ส่งอย่างภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้รื่นเรืองด้วยทำมีกถาแล้วก็ประกาศโทษของสังขารที่ต่าช้าเศร้าหมองและอ น, นิสงฆ์ในพระนิพพานจิตของภิกษุเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคอรหันตตสั ม, มาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพให้รื่นเริงด้วยทำมีกระถา ไม่นานนักจิตของท่านเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานทั้งสี่นั่นเองนะนว่าเลิกยึดมั่นด้วยอุปาทานไม่มีอุปาทานอยู่ในใจอีกต่อไปดูก่อนพิสูนทั้งหลายบรรประชิต8 4ด0 0สี่ันรูปพวกไหนพวก8ดมี่พันรูปกลุ่มไหนกลุ่มที่ออกบวชติดตามพระวิปัสสีโพธิสัตว์นั่นแหละพวกกลุมชุดที่ออกบวชตามนะ ได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเสด็จถึงพระนครพันทูตมาดีราชธานีโดยลำดับบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณมิกทายาวันชื่อว่าเขมะและมีข่าวว่าพระองค์กำลังเสด็จแสดงกำลังแสดงทำอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอันบันประชิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลบันประชิต8 4 0 0 0ืรูปเหล่านั้นก็ได้พากันไปทางพระนครพันทูตมดีราชธานีทางมกทายาวันชื่อว่าเขมะ ที่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีประทับอยู่ครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วก็พากันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งน่าเชื่อเลยพวกนักบวชติดตามบรรลุทีหลังนะแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้บรรลุมันจะขึ้นอะไรนะขอให้ไม่ได้ขึ้นยานของพระพุทธเจ้าเถอะมันจะขึ้นคนแรกหรือจะขึ้นคนกลางขึ้นคนหลังขอให้ไม่ได้ขึ้นเถอะเนี่ยนะ แต่ชั้นใดก็ดีผู้ที่จะได้ขึ้นตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าะจะขึ้นตอนต้นตอ น, ตอนกลางตอนปลายก็ยค่อยมันได้ขึ้นเแต่ไม่ใช่บอกเอา้าวไม่มีตัวงนัน่นเลยนะจบเลยของเราตอนนี้ก็ดูอ่านตัวให้มันดีๆหน่อย น, นะเดี๋ยวเผื่อจะได้ขึ้นยานอรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดตัวก็คือพระไตรปิฎกนี่แหละหตัวนี่ยาวมากเงื่อนไขมันเยอะอ่ะนะแต่ถ้าขึ้นยา น, นี้ได้สบายเลยอ่ะ แต่แล้วก็ภิกษุเหล่านั้นนะนะเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีก็ได้ตรัสอนุปปพิกถาคําสอนที่กล่าวตามลําดับแก่บรรปะชิตเหล่านั้นคือประกาศทานากทาศีลากทาศักขกท า, าโทษของกรรมที่ต่ําช้าเศร้าหมองและอ น, นิสงฆ์ในการบวชคืออ น, นิสงฆ์แห่งเนกขมมะเมื่อทรงทราบว่าบรรตะชิตเหล่านั้นมีจิต คล่องมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิโว์มีจิตสูงมีจิตพองใสจึงได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุก์สมุทัยนิโรธมรดดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากธุลีปราศจากมณทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่บันประชิต8ปดหมี่พันรูปนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้นั้นแหละ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 ดูความพิสูุทั้งหลายบรประชิต 84%, ดหมันรูปเหล่านั้นได้บรนประชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้ทรงยังภิกษุเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่าหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาพระองค์ก็ประกาศโทษของสังขารที่ต่ําช้าเศร้าหมองก็คือประกาศ วัตตะ ว, ว่ามันมีโทษอย่างไรแล้วก็ประกาศอ น, นิสงฆ์แห่งพระนิพพานจิตของพิกสูเหล่านั้นผู้อันพระผู้มีพระภาคอรหันตตสั ม, มาสัมพุทเเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจรรพให้เรื่อนเริงด้วยธรรมีกระถามไม่นานนะักก็บก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นเนี่ยนะผ่านไปสามชุดพวกเราก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่นะส่วน อ, อันนี้เกี่ยวกับเรื่อง อนุปุพิกาถาก็คงไว้ตอนบ่ายจำแน้มากล่าวอันนี้สองหรือทำมีกาถาเรื่องทานเป็นต้นโดยลำดับตอนเช้านี่ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้